พระธรรมเทศนาแผ่นที่102ลำดับที่19้โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่12ตุลาคม2559มีชื่อเรื่องว่าเทวดามาถวายรถเอาลูกหลานอยู่ในความสงบมีอะไรหลวงพ่อจะเล่าอบ บอกกล่าวอะไรให้ฟังลูกหลานสิ่งที่ควรจะได้รับรู้รับทราบร่วมกันวันวนมันก่อนลงพ่อได้ทราบมาหลายทางหลายสื่อแล้วก็หลายคนว่าพ่อใหญ่พ่อหลวงของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุงหัวที่เป็นร่มโพร่รมใจของพระศกในก่อกนทั่วประเทศท่านทรงประสวน แต่หนักเบาหนักเบานะั้นเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้พระองค์ท่านแต่ทีเราจะได้ยินแต่ข่าวเราก็ไม่สบายใจเมื่อคืนในหลวงพ่อได้ประชุมคณะสงฆ์ในวัดของเราสี่สิบหกรูปแล้วก็ได้มีการไหว้พระสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์เจริญพระปริตะมงคลแล้วก็ถวายพระพรชัยยมงคล แล้วก็มงคลจักรกวานน้อยแล้วก็สวดโพชชงแล้วก็สักขตาวาพุทธรัตนงังโอสถถังเป็นโอสถพะพุทธเจ้าเป็นโอสถพระธรรมเป็นโอสถพระสงฆ์เป็นโอสดขอให้คุ้มครองให้พระองค์หายจากทุกทุกกายคือการลำบากกายนึย่งคือทุกกายแล้วก็ พยาธิพยาและก็โลคาหายจากโลคาพยาติในการเจ็บป่วยในคราวนี้ครั้งนี้ขอให้อยู่เป็นร่มโพร่มใสของลูกหลานนานเท่านานนะเมื่อคืนเนีเราได้คณะสงฆ์จากนั่นก็ได้นั่งภาวนาปฏิบัติส่งถวายเป็นพระราชฎกุศล ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ์เพราะท่านเป็นพุทธศาสนาหนูประถมพกเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาจนยาวนานมาถึงปานนี่แหละพระ อ, องค์ท่านก็อายุ8 0 8สิบปปี88ปีแล้วก็ พวกเราท่านทั้งหลายคิดดูสิทาเป็นปู่ย่าตาทวดของพวกเราอายุถึงขนาดนี้แล้วจะให้ท่านทำอะไรแต่บางคนลูกหลานบางคนก็พูดอะไรไม่รู้จักกาลเทศะพ่อแม่ไม่สอนพูดง่ายๆ <c oughs> พ่อแม่ไม่สั่งสอน <c oughs> ถ้าพ่อแม่สั่งสอนอย่างหลวงพ่อเนี่ยต้องคิดดูให้ดีนะลูกหลานนะถ้าปู่ย่าตาทวดของเราอายุมากแล้ว เราควรจะเชิดชูบูชาท่านยังไงที่ท่านหาเงินคำทรัพย์สมบัติในตระกูลของเราครพวกลูกหลานตูกหลานถึงลืมตาอ้าปากได้ทุกวันนี้ได้มาจากไหนแต่ละตระกูลก็คงจะรู้แก่ใจมันไม่ไม่เหมือนกันนะรู้แก่ใจตระกูลของเราคือใคร ที่หาทุนเงินคําทรัพย์สมบัติซื้อที่ดินที่ดอนให้เราได้พักผาอาศัยนี้ก็เหมือนกันอนะ่ะพระองค์ท่านอาโครงการพระราชดำริเท่าไหร่เขื่อนอน้ําเท่าไหร่สํารวจที่ดินเท่าไหร่มีอะไรตัวมีอะไรอย่างเยอะแยะไปหมดเลยพระองค์ทําคุณูปการให้กับประเทศชาติทั้งพระศาสนาก็ไม่ เลิศประเสริฐทีเดียวพูดอย่างนั้นได้ไม่มีพระองค์ใดประเทศใดที่จะทนุบำรุงพระพุทธศาสนายิ่งกว่าสองพระองค์ท่านพร้อมกับพระบรมวงศสานุวงศ์งพูดอย่างนั้นได้นะ <c oughs> อันนี้ก็คือพวกเราในฐานะประศพในกองทู่ทั่ ว, ท, ว, ท, วทุกหัวละแห่งก็ให้ความเคารพรักในพระองค์อย่างสุดซึง้งนะจึงได จเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลปฏิบัติพอเราปฏิบัติดีคิดดีทดําดีพูดดีเป็นเครื่องสักการะในพระองค์ท่านเราจะไม่มีอามิตรชบูชาเพราะว่าพระองค์มีพร้อมอยู่แล้วนะเรามีแต่ปฏิบัติตนประชนกน่อนทุกคนให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีนั่นแหละพระองค์ท่านก็คงจะชอบ พไทยชอบใจในจุดนี้เหมือนกันหลวงพ่อว่านะเพราะนันพวกเราเจึงได้ปฏิบัติอย่างที่เห็นว่าดีที่สุดนะแล้วก็พร้อมกันเมื่อคืนก็ฝนตกแรงนันหลูกลานนะปอกขึ้นไปประมาณสามสี่ทุ่มประมาณชักตีหนึ่งตีสองฟ้าถลม่มแต่เมื่อวา น, นเห็นได้ยินได้เสียงสนีอยากโอกกมนเลยก็โอกกสนีวัดของเรานเป็นประสาทวะวะ มันแจจะร้องเวลาไหนเราก็ร้องแต่มันอก็คงจะเตือนเรานะ่ะระวังนะหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายนะฝนจะมานะฝนจะตกแรงหนะ้ามันก็วังอย่าวางกนะันแต่เราไม่รู้ภาษามันเราก็คิดว่าสมชายของเราเนะ่ยปาศาสหรือ ว, วะอยากโอกก็ไลก็โอกตอนกลางวันตอนเอที่ทยงตอนบ่ายตอนเช้ า, อ, าอกอวยมันอกอวยหาอะไรวะมันเป็นปราษาสหรือเปล่าวะ ทำไมฟ้าแจ้งจางปางขนาดนี้ไหมมันจะมีฟ้ามีฝนอะไรในวักหโอ้พอถึงเมื่อคืนเน่ยมันถล่มลงมาน่ยโอ้โหสมนานเห็นไหมมันร้องขึ้นมาแล้วนี่ยไอ้สมชายเนี่ยพูดถูกว่าไอ้ชมชายเนี่ยรูวว้วะ่ะรู้กว่าเราเอีกนะทั้งฟ้าร้องเสียงดังอีกฝนแรงเมื่อคืนนะแต่ไม่นานเท่าไหร่ถ้านานเนโอคงจะนาดูเหมือนกันนะ่เมื่อคืนนะ่ นี่ละอันนี้นส่วนหนึ่งศรัทธา ญ, ญาติโยมโลูกหลานและก็วันนี้ เ, เสียต้อมจะสัก ส, สะเซิงเซาที่พวกเราจู้รู้จักกันดีเสียต้อม เ, เสีย เ, เจหน่องกับแม่บ้านมาเยี่ยมคุณแม่ขันทองที่มารักษาศีลอยู่ที่นี่ผูเทานะและก็ขับรถขึ้นมาลูกหลานเห็นรถไหม เนี่แหละรถคันนี้มาอย่างไงพวกลูกหลานเขาคงจะสงสัยอีกแต่นี่ยเออนี่แหละหลวงพ่ออยากจะพูดจุดนี้เออหลวงพ่อคงจะเอาเงินวัดเงินกระถิ่นนะไปซื้อรถมาแต่ไม่จริงไม่ใช่นะหลวงพ่อไม่เคยคิดเลยแม้แต่น้อยเดียวเรื่องรถราคาแพงๆอย่างนี้หลวงพ่อไม่เคยที่จะเอาเงินไปซื้อเงินวัดไปซื้อเงินวัดหลวงเทวกหลวงพ่อว่า เป็นเงินของพุทธศาสนิกชนต้องทำให้เกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาสานาต่อสาธารณประโยชน์ไม่ใช่ว่าเอามาอำนวยความสะดวกให้กับตนเองอย่างนี้หลวงพ่อจะไม่ทำนะลูกหลานนะ ล, ลดของเรานะถามเสียต้อมดูก็ได้นะได้มาอย่างไงมีคนถวายคนที่ถวายจิตใจสูงก็แล้วกันเป็นเทวดา ถ้าไม่ใช่จิตใจสูงของถวายไม่ได้อันนี้หลวงพ่อเชิดชูบูชาว่าเป็นเทวดา น, นี่แหละหนังสือที่แจกไปเมื่อกี้เนี่ยนะเจ้าของรถนะหลวงพ่อให้ไปเมื่อกี้เนี่ยนะเจ้าของรถคันนี้น่ละไม่ใช่แต่คันนี้แหละหลายๆคันอถามดูเสียต่อมดูก็ได้แต่หลวงพ่อไม่ระบุชื่อหรอกพันถวายมาหลวงพ่อก็ใช้ หลวงพ่อเนี่ยเป็นพระ เ, เป็นพระในพระพุทธศาสนาเอามีของดีใช้ของดีเอมีของเลวใช้ของเลวไม่มีไม่ใช้ฮ เ, เพราะนั้นหลวงพ่อออกมาถ้าขันนี้มันยังมันยังน้อยอยู่เกินไปใช่ไจะให้มันดีกว่านี้อีกแต่คงจะไม่ดีกว่านี้เพราะว่าหลวงพ่อไม่มีวาสนานะแต่ท่านก็บอกว่าเอาเอ ฉันเราอายุแก่มากแล้วนะคันนี้อาจจะเป็นคันสุดท้ายครับท่านเออเอาว่าไม่เป็นไรคันไหนกับคันนั้นแหละนี่แหละแต่ที่แรกก็นี่แหละตั้งแต่รถที่ท่านถวายมาเราก็ใช้แต่คันเก่าไปไงอ่ทัานเก่าเราก็สงค์คืนเราไม่เอาแล้วคันเก่าเราสงคืนเราใช้คันใหม่ พอมันเก่าท่านก็เปลี่ยนให้แต่เขานี่ท่านอายุมากแล้วท่าน ค, คงว่าคงจะเป็นคันสุดท้ายเรากนยินดีน ะ, เ, ะเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายให้ฟั ง, ฟ, งฟังเอาไว้น ะ, อ, ะอย่าไปมัวเมียอย่า ไ, ไปประมาทแต่ท่านท่านอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยโอ้โหรถคันน่ะขนาดนี้จะไปถาไวายได้ยังไงถาไวายพระน ะ, ะแต่มันคนมันต่างกัน ถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยคคงจังคงจะไม่มีรถอย่างนี้ขี่เหมือนกันนะถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่กล้าซื้อเหมือนกันอพอมันมันเกินไปราคาแต่ท่านผู้มีท่านผู้มีนะท่านว่าจะเก็บไว้ทำไมอพออำนวยความสะดวกได้ก็ให้มันสะดวกให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานปัจจัยเงินตายแล้วเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างทิ้งมดกระดูกตัวเองก็ยังทิ้ง ไปเสียดายทําไมมันมีอยู่ที่เสเียแต่มันไม่มีทามันไม่มีเลยอย่าไปคิดอย่าไปใช้ให้มันทุกขนะ์น อ, อท่านพูดอย่างนั้นเพราะนั้นวันนี้ท่านจะได้เอาเนี่ยรถคันนี้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละมาให้พวกเราดู อ, อแต่ไม่ใช่รถสรุปแล้วหลวงพ่อไม่ได้จ่ายตังค์ไม่ได้เอาเงินวัดไปซื้อนะลูกหลานนะเนอะเป็นคน มีศรัทธาถวายถ้าท่านถวายมาหลวงพ่อก็รับใช้ให้เกิดประโยชน์ในวัดวาศาสนาในพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าหลวงพ่อจะนั่งคนเดียวได้ยังไงรถใช่ไหมละ่ะใหญ่ขนาดนี้ไปแต่ละครั้งก็ต้องมีลูกศิษย์ลูกหาบริวาร น, นั่งไปด้วยนี่แหละอันนี้ก็คืออันหนึง่งที่หลวงพ่อได้แจ้งให้พวกเราท่านทั้งหลาย พวกเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อได้อะไรมาหลวงพ่อก็จะแจ้งบอกกล่าวให้ได้รับรู้รับทรา บ, รบทั่วถึงกันใ น, นของใช้แต่เรื่องจะพัฒนาต่อไปภายภาคหน้าอย่างไรแต่หลวงพ่อจะใช้จายย่ายยังไงหลวงพ่อก็แจ้งให้ทราบเป็นระยะระยะเออช่วงนี้เราถวายเงินสร้างพระเจดียนะ์เรอให้โรงพยาบาลเนอะ ให้สาธารณประโยชน์เนะ่ะหลวงพ่อก็แจ้งข่าวให้ทราบเรื่องปัจจัยสี่นะแต่ถึงยังไงก็ตามการอยู่รว้การปฏิบัติตนให้มันถูกต้องสรุปแล้วโยมเราอยู่ในสถานะไหนอยู่ในสถานะพระอย่างหลวงพ่อเป็นสถานะพระที่เป็นหัวหน้าวัดหลวงพ่อจะจับใจใช้สอยอะไรในปัจจัยสี่หลวงพ่อก็ต้องคิดให้รอบคอบเหมือนกันนะทายาตโยม ไม่ใช่ว่าทำตามอำเภอใจทำตามมัธขาใจเพราะปัจจัยที่ได้มาเหล่านี้เขาจบแล้วจบอีกยกใส่หัวแล้วยกใส่หัวอีกอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกก่อนที่จะถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเราจะใช้สุม 4, สีุ่มห้าเราจะใช้แบบไม่คิดไม่อ่านไม่น่าจะถูกเพราะนั้นก่อนที่จะใช้อะไรมีอะไรเราจึงต้องทำให้ถูกต้อง เราอยู่ในสถานะที่ต้องให้รอบคอบในการใช้อันนี้พระเนนลูกหลานทุกองก็คงให้คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะอันนี้ไม่ใช่ปัจจัยใครเป็นปัจจัยพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้านะเป็นบรมีของพระพุทธเจ้าเป็นบรมีของพระพุทธศาสนาถ้าเราเป็นครวาสญาติโยมละ่ะออไม่อยู่ไม่อยู่ในยูนิฟอร์มนี่หละเราไม่อยู่ในยูนิฟอร์มนี่แหละ เราไปทํามาค้าขายไปหายอยู่หากินแหะคนเขาจะให้อย่างนี้ไหมไม่ให้พูดอย่างนั้นได้เรามียูนิยูนิฟอร์มอย่างนี้ท่านเกิดความเคารพนับถือเรื่อมใสเพราะพวกท่านผู้ที่ถวายหรือว่าถวายปัจจัยมานะั้นท่านทําไม่ได้อย่างพระสงฆ์รมฉันมือเดียวอยู่ในปา่าตั้งใจภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติธรรมไม่ได้มุ่งหวังทางโลก ไม่ได้ทามาค้าขายยศตำแหน่งไม่มีลาบยศจนรเสรญไม่มีครอบครัวอยู่เป็นอิสระถือศีลอภรยรยาเป็นตัวคนเดียวพวกครวัตเขาทำไม่ได้อย่างพวกเราทำเพราะนั้นเขาก็เกิดความคลบนับถือเลื่อมใสแต่ตวัดจะตุปัจมาเราก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าการที่ ได้ถวายปัจจัยมาไม่ใช่ได้มาได้ง่ายๆอย่างพวกเราเป็นฆราวา์ได้ปัจจัยได้เงินมาได้ง่ายไหมเราก็รู้แก่ใจไม่ใช่ของได้ง่ายในเมื่อไม่ของได้ง่า ย, ออายทุกคนเขาถวายมาเราก็ต้องเห็นคุณค่าของเงินของปัจจัยนั้นแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายพวกเธอท่านทั้งหลายถ้าหากว่าไปบินถายมาฉันแล้ว มีแต่พูดเรื่องโลกเรื่องสงสารไม่ได้ต้องตั้งอกจังจิตตั้งจิตตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาอันนั้นเป็นหนี่เขานะเหมือนกับกินกินข้าวข้าวเหมือนกับก้อนเหล็กแดง เ, เหมือนเหล็กอันแดงที่เราเราฉันเข้าไปแต่ท่านผู้ใดไปบินธบามาแล้วมาฉันฉันอาหารของชาวบ้านแล้วมานั่งภาวนา หรือเดินจงกลมหรือมาปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้สงบเพียงลัดนิ้วมือเดียวพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพียงรัดนิ้วมือเดียวผู้นั้นคุ้มค่าคุ้มคม่าข้าว ข, ของเข า, เาที่เขาถวายมาพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นนะ เ, เพราะนั้นท่านท่านให้พระสงฆ์ทั้งทั้งหลายเข้ามาบวชในพุทธศาสนาให้เป็นผู้มุ่งมั่น ในศีลในธรรมไม่ให้โลภโหโมกณนะส่งจิตใจออกไปข้างนอกสรุปแล้วนะแต่เราจะทำได้อย่างนั้นทุกครั้งหรือทุกคราวหรือเป็นบางครั้งบางคราวแต่เราต้องยึดถือไว้ว่านะั่นคือบรรทัดบรร ท, ทัดฐานตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้ถ้าพวกเธอท่านทั้งหลายนั่งภาวนาเห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรา เพียงรัดนิ้วมือเดียวก็คุ้่าข้าวที่ชาวบ้านเขาถวายเขาใส่บาทมาให้ฉันอันนี้แหละเราคงจะทำมากกว่านั้นอยู่มากกว่ารัดนิ้วมือเดียวอยู่ม้างเวลาเราคิดนะนี่อันนี้ก็คืออันหนึ่งเป็นแนวความคิดในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกพระลูกหลานทั้งหลายพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านันะ นี่แหละลือหลักของพุทธะแต่ถึงอย่างไงก็ตามสําหรับคารวาตญาติโยมผู้ใดเข้ามาได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้มาเกิดมาร่มพระบา ร, รมีของพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีอย่างที่หลวงพ่อที่พูดได้กล่าวได้พบพระพุทธศาสนานับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากเป็นผู้มีบุญอย่างเมื่อวานหลวงพ่อบอกว่าพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทย เห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยก็ได้ยินทราบข่าวว่าแต่ละประเทศบางทีดินฟ้าอากาศพายุถล่มตายไปในสีเป็นร้อยร้อยคนแต่เมืองไทยเนี่ยแตงพ่อหลวงพ่อเกิดมาตั้งเจดสิบปีปีนี้แหละยังไม่เคยมีมีแต่น้ำท่วมปีห้าสี่เท่านั้น น, ะน้ำท่วมปีห้าสีเพราะอะไรเพราะคนในชาติทะเลาะกันไม่ให้ น, น้้ำมันไหลาตามที่มันจะไหลไป ก้างกันเอาไว้ไม่ให้มันไหลไปมันก็ท่วมเลยสิเพราะเหตุอะไรเพราะคนในชาติไม่มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันไม่ให้น้ำไหลไปตามที่น้ำมันจะไหลเนี่ยเราก็รู้แก่ใจว่าเป็นอะไรในย่วงช่วงนั้นถ้าศึกษาดูเราก็รู้เลยประวัติศาสตร์ในจุดนั้นคืออะไรเนีาไม่จริงรรมชาติไม่ได้ฆ่าคนไทยเท่าไหร่แผ่นดินก็ไม่ถลม่มพายุก็ไม่ได้ฆ่า น้ำก็ไม่ได้ท่วมหนาวก็ไม่หนาวร้อนก็ไม่ร้อนจนเกินไปนี่แหละเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยย่อว่าปฏิรูปประเทศเราเป็นผู้โชคดีอแล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเหตุผลอเองทำไมาจึงว่าศาสนาเหตุผลพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อนะแต่บางศาสนาไม่เชื่อไม่ได้ต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อเป็นชาตานนะเะข้ามาในจะได้ต้องเชื่อ พระเทวเจ้าบอกว่าดูก่อนสาริบุตรที่ตถาคตพูดไปนี่ตัดไปนี่ตรัสไปนี่เธอเชื่อไหมยังก่อนพระเจ้าขา้าอ่ายังก่อนพระเจ้าขา่าเพราะข้ า, พ, อออาพระงง อ, อ, ระรรองค์ยังไม่เชื่อนะพระสงฆ์ทั้งหลายกันคือฮากันเราบอกพ่อพระสาริบุตรหัวหัวล้านหัวดื้อหัวแข็งขนาดพระพุทธเจ้าตรัสให้ฟังแท้ๆยังไม่เชื่อนโอ้โหท่านลงตนอย่างมาก พระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนพระสงฆ์เดี๋ยวเราจะถามสารีบุตรอีกทําไมเธอจึงไม่เชื่อพระสารีบุตรกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปกันกลองยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์กันกลองไตรตองด้วยเหตุผลแล้วนําไปปฏิบัติแล้วเห็นผลข้าพระพุทธองค์ข้าพระข้าพระพุทธองค์จะมากราบทูลพระองค์เมื่อภายหลังพระเจ้าข่านี่แหละสงฆ์ทั้งหลายให้ฝังเอาไว้ ได้ยินอะไรมาก็ตามได้ศึกษาเรื่องอะไรมาก็ตามต้องฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์มันมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่มีเหตุผลเราจะนับถือเรื่องสเชื่อถือได้อย่างไรเพราะในเรื่องนั้นมันไม่เออมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องเชื่อถือนี่แหละหละักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานเพราะนั้นพวกเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาคือศาสนาเหตุผลศาสนาของพุทธะเนี่ย ออย่าไปเชื่อแบบลอยๆอย่าไปเชื่อแบบหากฎเกณฑ์ไม่ได้เราต้องนํามักฟีเคราะห์แล้วจากนั้นนํามาปฏิบัติในเมื่อนํามาปฏิบัติแล้วเห็นผลอย่างไรนั่นแหละเราจึงลงมือเชื่ออย่างเพียงศินห้าอย่างเดียวเท่านั้นแหละพวกเราคิดดูสิเหตุผลคือศินห้านะี่คืออะไรเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเร า, เ, ราเมื่อเราไปฆ่าเขาก็ใช่เราฉลาใจเราไปฆ่าเขา แต่เมื่อเขามาฆ่าเรา่อฆ่าพี่น้องพอ่อแม่ของเรา่ะเราหงอยขนาดไหนทุกใจขนาดไหนเอหมดอะไรตายอยากเลยไม่รู้จะสู้เขาอย่งไรเพราะเขาขโมยมาฆ่าไม่ใช่เขาเดินโดดเดมาอถ้าเดินโดดเดมากต้องลุกสู้กันอย่างสุดๆนะ้นแต่นี่เขาขโมยมาฆ่าทำอย่างไงเสียใจไหมเสียใจเราขโมยไปฆ่าเขาขเหมือนกันเขาก็ต้องเสียใจขโมยเราไปขโมยสิ่งของของเขา ขโมยพ่อแม่ของเขามาเรียกค่าถ่ายลูกเมียของเขาลูกหลานของเขามาเรียกค่าถ่ายถ้าเขามาขโมยของเราไปเรียกค่าถ่ายล่ะเรียกรถเรียกล่าเรื่องอะไรต่อมีอะไรไปเรียกค่าถ่ายเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเพราะการขโมยของเขาของเราสามีภรรยากลูกหลานก็เหมือนกันถ้าเขามาลาาบละล่วงในสามีภรรยาลูกหลานของเราเราเสียใจมหมเสียใจถ้าเราไปทําให้กับเขาล่ะเขาเสียใจเขาก็ต้องเสียใจ ถ้าไม่เมื่อเราไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขาเสียใจมันเสียใจแต่เมื่อเขามาทําให้กับเราเราเสียใจมันเสียใจ อ, อแล้วก็การดื่มสุราเข้าไปเมื่อขาดจิตแล้วทําความชั่วในทุกอย่างจะฆ่าใครจะขโมยใครจะลาะบล ะ, ละลวงในสามีภรรยาใครโกรจะโกหกใครได้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะขาดจิตนี่แหละ รู้อยู่แล้วว่าดื่มสซดาต้องขาดสติดื่มทําไมดื่มให้โง่ทําไมอดื่มน้ำโ ง, ง่ทําไมถ้าดื่มเข้าไปมันต้องขาดสติในเมื่อขาดสติแล้วก็รู้แก่ใจเราจะไปดื่มทําไมเราจะให้เป็นบ้าเถอะเราอยากจะเป็นบ้ายอย่างนั้นใช่ไหมไอันนี้เราก็ต้องถามตนเองอีกเหมือนกันนั่นแหละสรุปแล้วคือคือฉินท่าของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเหตุผลไหมพูดเพียงแค่มีเหตุผลไห ม, ย, นนะ ม, หไหมยอมรับได้ไหมต้องมีเหตุผล แต่ถึงเราจะรักษาไม่ได้ครบทั้ง5ข้อเราก็ต้องเชิดชูบูชาว่าศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติมาแล้วต้อง 2,559 ปี 2,000 กว่า ป, ปียังมีเหตุผลบริบูรณ์ในศีลธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละพระพุทธองค์ดูก่อนสารบุตรที่เราตถาคตพูดไปนี่เธอเชื่อไหมเนี่เราต้องนามาวิเคราะห์ดูไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เ, อ เ, เพอราะอะไร เพราะหลักเหตุผลมันล ง, ลงอยู่จุดนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะเมื่อได้ฟังหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะแล้ว น, ะนำมาพิจารณาการครองไตรตองหลวงพ่อว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีอย่าทำความโชคดีของตนเองเลยให้เป็นผู้โชคร้ายทำไมเกิดมาุได้พบพรพุทธศาสนาแล้วทั้งที่จะประกอบคุณงามความดีกับทะเลทลายเป็นเอาสิ่งที่มันชั่วเข้ามาหาตัวเอง งที่มันไม่ชั่วขนเข้าม า, าผลที่สุด ก, ก็เลยติดคุกติดตารางถูกดูถู ก, ถกเหยียดหยามทั่วบ้านทั่วเมืองอีกต่างหากเพราะอะไรเพราะการกระทำความชั่วของตนเองเพราะนั้นขอให้พวกเราตรวจตราดูตนเองดีรู้จักไหมดีชั่วรู้จักไหมชั่วถ้าไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วแล้วก็ไม่รู้จะพูดจงไงถ้ารู้จักดีแต่ว่าสู้กิเลสฝ่ายต่าไม่ได้มันดึงลากลงไป อันนั้นเราก็ต้องฝืนนะฝืนสู้มันฝืนกิเลสสู้กิเลสฝ่ายต่ําอย่าให้มันลากจนเกินไปอย่าให้มันดึงถลําลงเราคนลงจนเกินไป เ, เราต้องฝืนมันเพราะสิ่งที่มันชั่วถาดกูทําลงไปแล้วข้าทําลงไปแล้วมันจะต้องตกต่ำนะข่านะเราก็ต้องฝืนไม่เอาละอต้องสู้กับกิเลสฝ่ายต่ํากิเลสความโลภจุดนั้นนะ่ะ เอาชนะความโลภในใจของเราให้ได้นะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะนี่คือหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวหลายแนวความคิดให้กับคณะศัทยญาติโยมลูกหลานได้ฟังต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรและพรในขนี้นะ